เด็ดลวคุณหลพ่อมาลจังบวงคือว่าได้ข่าวว่าวันที่ทุ็หลวงมาที่ซอยหม่หลวงพ่อไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยปครับคือว่าจะนั่งรถใช้้อตูมาเขาหวเอยเว้นไม่ได้นนเกิดของคุณแม่จะได้หรือไม่ได้ได้ได้ได้ไหลทุกข์ก็ได้หลายทุกก็ได้ใจดีใจดีคร ไม่ม <ih az violin beeping warfare> ีวัดเดียวเมตตาล้ตลอดเลยทุกวัน่ะม่่ห้อเดียวที่ดดีเลยนะ้ใช่ปาาันนะดีก็ที่จะเียนูสาลีบนอสาลีบถ้าสาลีบเป็นอกับวมนามเพราะเสดอจอ ตั้งใจกามนั้นนะตั้งใจว่าพระสับุมีผลเช่นใดขอเข้าพรเจ้าบู้าพระใดดวมีผลเช่นนั้นแม้แต่คนที่ร่วมก้าว่าสิบบาทก็เช่นเดียวกันตามเหมือนกันนะได้ผลเหมือนกันได้ผลเหมือนกันใช่ไหมไม่เป็นบางคนีคนยาวมันมีดีไม่พยายาตรงนี้มัพยายไม่เห็นเลยไม่ไปเห็นเลยตาข้าวประเด็นประตูหลวงพ่อที่กระรอกตั้งย หรือว่ากระหึ่มไปบางเป็นก็เห็นไปอยาจังหวนให้มันตลอดรอดฟังตลอดชีวิตชีวาแต่ไม่ผลความหลักศาสนาก็กี่ามาญาพ่อแม่แกไม่ยอมความรู้จักแกจะให้เรียนต่อผมมีความโกรณ์นักเปนอย่างมากอยากจะศึกษาหูวงพอว่าจะแก้ไขอย่างไรจึงจะให้พ่อแม่รู้จักหรือไม่ก็วิธีใดวิธีหนึ่งขอรับ อางนี้ดีกว่านี่ยการบวชจะคิดเกินจะบวชไม่เสร็จเป็นไ่างมานสวดบวดไม่นานนะโอ้โอ้โอามปีสามปีแบบน้หรอโอ้ร้อยสามร้อยที่ไม่ทันจะมึงสายไปแล้วทึ้นมาชั้นเอกนะมาจะกชื่อมามาจากของใครผมบวชไม่เสรครับผมคือมึงสายไปแล้วทานี้ดีกว่า การบวชหรือไม่บวชการบวดที่มีโทษมากอ้าไม่บวชมีโทษน้อยคือขาวบวชคุค้มพระสองร้อยยี่สิบ2จ็ดแต่มันยังไม่พอนะยังมีอะไรอีกนะพิสมาจารย์อีกธรรมะอีก ห, หลายส่วนทีมม่มันลบอ่ะการไม่บวชไะเปแค่ขึ้น5เท่านั้น<อ>แทนก็ขอฝึกวโนวิธิธตั้งใจและสาขึ้น5ให้าครบถ้วน ตังใจแล้วใช้ราหมดสเอ็ดพวกท่านพอแล้วมีกระเพาะปวดหหงดหลายแสนเท่าโอเป็นข้ลล์มล่ายกว่าโอ้บานเจ้าเลยครับเวลานี้ิลเจ้ไปเลยนะโอ้เน้ฉันก็ี้ยงสงสคนที่ผมชอบนีนี่มีดเขามาอยนะใช่รงอยเรื่องเลยนะครับรามการระเดชระคุณ สับพ่อที่ก็รับจำตัวมีคนรู้ว่าเอ่อจากลูกเจอสมาธิคนจิตเป็นอุปจาระโยในโลกน่าชมว่าเห็นตัวของตัวเองเป็นสองตัวเจ้จะหัวไยไหนหัวก็โด้ติดกันใช่ไเพราว่าฝปเวที่หนึ่งตัวลูปเป็นมดมารุษปกติธรรมดาอีกตัวหนึ่งอยู่นอกหน้าตา องค์เศรษฐุตมาสมุติเจ้ามีโอภาษแสงก็หว่างสว่างก็ไหวไะอย่างมากแต่ที่ลูกจะถามลงพ่อก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลูกจกปฏิบัติให้ลีที่ึ้นไปให้ตัวนอสันทิปขาเป็นประกายหรือให้ข้าพะลูกจะต้องเริ่มต้นและดำรงอารมณ์แบบไหประการอดก็ผ่าถ้าตั้งถ่าแบบนี้ภพนั้นจะหลายตัวให้ทำตามปกติ แบบนี้เลยครับภูมิลย์ดีดีภูมิลย์ดีดีตายยังไงตายงี้เหรอใ่โดนเบธยางดูก่อนยางยี่หยาดผมใส่ไดถ้าภูมิลย์ดีดีตายเขาได้ปกติไม่เหยียดนะขึ้ไปถึงมายังถึงทุพันลูขาวเนั้นนะเหมือนกันเขาเขาเขาไปถึงแขนนั้นก็ใช่เขาสองอ๋อสองเลยใจ้ แา่ต่อไปแค่แดีๆดัเละไมคอยเชื่อคามไม่ได้เกตั้งโตไม่ได้หลายหลายล่ะแลขอภาวนยให้เขาออกมาถ้าหลวงพฝ่พระที่รับจากหล โูกที่มันขัางี่จะขามของมาสองเดือที่ผ่านมาพ็อขาสู้ได้ตั้งศารก็คุมให้ตามเลยโอที่เรื่องข้ออื่นตั้งคันสองต้องข้อเขาสู้ทำให้ตั้งศารก็คุมพ่อบอกว่าตรงนี้แหละเป็นที่ดีกะมีราชสีมาเข้าฝันและจะรกกรองปกป้องระ พอเยลูกมีสเสียไปคัด้านก็พ่อมาให้ทานหลังจากนั้นมาไม่นานก็อล้มป่วยมีอาการก็เกือนตามตานานทุกปานำเงินถวายเทาเทศสี่หมืนแล้วก็ยังไม่หายตอนนี้ก็อายุเจ็ดสสองปีแล้วไม่ถวายวะไรสี่พอผิดเทศนะผิดคนิดที่ถายเทศมันน่าจะถวายเขพระราสีใช่ใช่เสียตัวปานน่านนและสีครับ ใช่น้า้งเลยใส่วีเนี่ยาไม่ปล่อยรงเ่มว่าอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ไม่ไทาของเทวดาใช่ช่ เป็นราชสีก็แแดงว่าเป็นเทวดาชั้นเหนือลูกสิษทพระวิุวันโอ้หาต้องตัดเานั้นนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาไม่รับผิดชอบเดี๋วิธีแคปัญหาทตัวทำตามสั่งทำามสงแล้วขอมาเสีก่อน เอาพระเอกที่พันไจแดงเลยากแดงคือืาไม่ถือแดมากดีคนนี้ใจดีนะใช่ใช่ไปดีมื้าา็นกต้องสมือจะแก่ไปตรงนั้ก็ไม่ไรากมาใจมากสามขอกมาอย่าไปกระจายนติดต่อประเทศที่แดงนะดีัคนเก่งมากไปง่ายโดยใจดีเ้าคุยเทวดาได้เขารู้เรื่องกันที่ถามว่า พระดชานุสิตเราส่าพญาใจไม่ได้จ่าพญามีที่รับอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันางสารโอ้ขนาดลำนะใช่ใช่ครับเลยอรอาขนาดลำหลวงพ่อเจ้าพนที่พระรัชกาลที่เอวันที่ไะเจอพุ่ย ข้าก็จะได้ลนี <that that so> ้เองนะขาขาดแล้วปู yeah, yeah, yeah, yeah. ่ไปตำแหน่งเลยเนี่ยต้องตามาแล้วนี่ต้องตามาแล้วข้าขาดแล้วปู่โงนทุบข้าวาดไม่หง่อยไมแก่ลยไปใช่ใช่ใช่ไอ้สห้าสห้าหลวง่อสิ้าแล้วสิบ้าเทานั่นเราดันขาดนาคารไว้ เพื่อนพาตัวมาทำให้ก่อนแต่ไหนแก่ที่เด็กอยู่บนเรือนนี่าขาไม่ใหญ่ใจไปโดเอยสาเล้นะเขาพีเาสุ่มเรอนสุาเรื่องดุสก็อมาเรื่องดุสีนี่ใช่ใช่อยู่ดีนออย่างเยนะาอาาก็ร้อูง้าลูมีปัญหาพวกใจนิดเดียวเกี่ยวบเรื่องสิ่ของโอ้โห่ี อดดดเยี่ยมที่สุดสินพ่อแมจะเป็นโลกินท่รับไปจากหลวงพ่อใช่เป็นขอหลวงพ่อฮะเอาละอไหน้นไหนคนไนคือวาว่าตาลีวันที่สีขาก้องทำประมาณนี้คืออย่างนี้ก็เปไหมคะก็จำเด็นี่จะต้องเอาต่อแหล่อยู่เสมอก็รไม่เคยทำใหม่ทุกทีรู้ระยะรู้อย่างแล้วทำมาหลวงพ่อทํามดครบแต่ข้อนี้ทำไม่ได้ จึข อ, ขอพละมีหลวงพ่อเอาโหมีจ้างไปลูกเดิาค่าอาดีๆทีดีดนะจุดโทษตอนเช้าวัานนี้ขอลาวศิลปมูสาว่าชดเอาดีๆพิธีพูดนะร s <S เราซื้อขอลมาถูกต้องขายแพงการท้องตลาดใช่ไหมพ<ะ>อต้มชนมันแพงรถจีนี้ไม่ได้เรอจ้าอดีหมดเรื่อง ก, กันไปไม่ไม่โ่ห จะไปบอกซื้อมาบาทนี่ขายสิบาทนี่ซือมาเก้าสิบเก้าบเก้าสิบตังค์ไม่ต้องได้แต่เกาสิตังค์มันต้สิ้นขาดเพราะต้นทุนมันแพงลดจากนี้ไม่ได้นะที่ไม่มีความจำเป็นถ้าต้นทุนถูกลดให้มากนี้เยอะแแค่นี้โอ้ย่าีมไม่ไม่ไมดีไม่ดีดีโอ้ยรอไม่้ะาต่อไปต้องโกงคอ่อไป ม่คานก็ยังได้ามประจานวันนี้มาถามคนแบบนี้สิ่งข้อหนึ่งรักษาไม่ได้ยาค่าจะไม่อยากเกิดฉันเลยไม่านตัวแล้วผู้สาวว่าที่อย่างนี้ก็ไม่ด้นะอาจาพระหลวงพ่อรงสูงดว่าธรระมาคากรรมฐานของหลวกพ่อากลูกข้อไม่ได้เลยลูกใช่อย่างนี้จะผ่าน ประตาภูกรูกบอกว่ากรรมานทั้งหลายหลวงพ่อให้ลูกขอสรมานทั้งหมดนาคาปรัดนี้แล้วปรหลังตา้ใช่ได้เลยช่ได้เลยไม่ต้องมาหาไม่ต้องเห็นเลยนี้ได้จริงจริแต่ว่าย่าเรื่องหลงพ่อพรเจ้าเจ้แ้หลวพ่อนะก็กรรมฐานที่หวพ่อเรียนมาเนี่ยคืามรู้จากเจ้าท่านขอยอมรับกรรมฐานทั้งหมดที่ของพเจ้าทุกสิขาบม นอนภานาผู้โทรหลับเลยใช่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาคินถูกช่องใชได้ใช่ได้ใช่ได้ไมได้นะฮะินกนไปที่แล้วสบายอดได้สบายนะอ้าวที่จะตอบไปเราพ่้ากิกินไปหน่อยไม่ทราบผเป็นกรรมใดๆหนูฝันดีดีเพื่อฝันถึงพ่อเป็นประจำ เราทอดทอดมาให้ทําหารหนูเอ่าเออเออเอาเลยแค่ฝันนะไม่ใช่ทำมาวีนะทำมาวีรูกเลยกี่ตอนก่อนแกแกไปมีเสื้อเสียงนะ แกเป็นเจ้า the ที่ประดอลล์ที่ประดอลมานปรว่าคนสตร์ได้คารว่าระอลล์กันไปดีใส่กันไส่กันขาวแบบขอไป่้าข้อาี่ห้าหนและนาให้บริกรรมขอก็ให้ฟ้าให้แหวนหรือว่าจะมอสิ่งต่างๆให้ปันรูปเสมออันทีูปตกปลาของพระสุรอยาที่เออแหวนที่เป็นธรรมะนะแหวนไม่ใช่เปนธรรมะ ไม่เคยเนใครที่มาแวะมาบาเยไปลยองู้ใช่ไหมใชไหนไหนไหลูกพ่ให้แงให้สุดหลักจะได้หมธรรมะะธรรมะที่ปฏิบัติมันดีแล้วถ้าต่อไปมันจะเดืู่ยินะเรื่องลูกเรื่องลูกมากขึ้นไปที่นี่นไปแนมาไได้ใช่กเลยว่าด่าก็คือธม คนมาใสสอาิ์้มัมาตื้นเี่เพราะการขอาคุยเจแล้วเขาว่าขอที่คนหลก็ให้เข้าฟันต่อไปนะแต่นาก่าไวเป่าไม่้ทำไคารถ้เข้าเกขึ้นโอ้ีไปไหน้มาแพได้แรงเยอะ ทำไมแลวใจตามเดิมอะไรกันทำตามเดิมยาคิดว่าจงอย่ามาเข้าฝานใอ้ตั้งใจอะตามเดิมภาวนาแบบไหนทำแบบนั้นทำดีจะทรงตัวระวังบ้างอาไหเองแหละเชื่ห็นพ่อเ็นกวแล้วเป็นโคอะไรือไม่หลับจะหลับ้องหลเงินหม่องธรรมวาที วันน <sz ul wheels> ั <milieu> so, so, so, millet, ้น <turbulence> ก uh, oh, so, ็ถ so, ้าอส่มกามมันก็เรียกว่ากพอจะเป็นขายต้องกรกองภาษาไทยเรียบร้อยาไมอ่านาวีอรบครับครับกก็รัษาโรเดิมอย่างนั้นแล้วลูกข้อไเอแต่ตัวแปรในตัวพ่อไปไม่เหมือนกันนะบางคนนี่เขาไดุ้นงดเลยแต่บอกบอกลูกชมห้กัวโตไอกอลมาคุยด้วยส เขาทำให้เตี้ามบอกื่อาเตรงนี้ไม่ใช่เขาเรว่าอ่าขเคลื่อนถ้ามันไม่ถูกเราก็จะด่าก็จด่าเขาเข้าดือร้อนเลยบุเดียวไงใใช่ใช่หัวตาตุเลิ้าลายต่อไป้าหลวงพ่อหลวพ่อเจ้าไม่มีขาไม่มีเท้านะเจ้าริเตอางนะรูปใกล้ข้าพระประธาน มาตัดสค้งสินิ้วเอาไปเอาหหายบัตแล้วแล้วก็ไปเป็นข้าประธานในโบสถ์ด้วยเป็นประโยชน์แก่ทีศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่ผมได้อธิษฐานว่ขอให้ท่านศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองนามแสรนมามและขอที่จะจงสวายหลวงพ่อหลวอโมษนาด้วยเถิดขอรเามดีดีจรู้กบาจา พ่อเดี๋ยวก่อนในการมาที่ลุงเขาบอกว่าคนจตั้งใจพ้นิฐานใช่แค่นั้นนะถ้าตั้งใจ้ะใหม่นะพ้นิานเลยนะถอดเสื้อนี้มีกำลังพิานได้เรอะลง3นิ้วไดใหญ่เป็นเป็นคนของโกของประธานนะปลาน่พนิานดมาหลองพ่อเลา มีกานได้ฟังกามสอนของพระตุสานพระโพละพัในวิทยุที่บอกว่าเทวดาพักตร์แล้วจะต้องจุติแล้วเขาบอกว่าพอนจะจุติต้องมีอาการต่อไปนี้หนึ่งเรื่องทรงที่เป็นยิบจะเศร้าหองสองพิมานที่อาศัยอยู่จะเศร้าหองสามปีเหลือไหลจากกาตาเล ทสงสัยว่าเหลือาดานมีลเป็นอย่างไรทางพนาแล้วสงสัยขอหลวงพอองาตยกัไปก่ายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเขาแยกเขวลาหน่อยอย่าไม่แไปดูเนาเลยขเหือเราาเทวดาไม่มีเลใช่ถ้าก็มีเราติ แล้อวอันว่ายังไม่เคยเหนื่อยเวลอ่านนั้นขอตัวละจะสุติเพราะจะสตที่ต้องมีอะไรก็มีอย่างไดอย่างหนึ่งไม่ใช่มีทั้งสีอย่า ง, างออแค่แ ค, คือคลิปสมองเราไปแล้วออาลขาพราหลังพ่ที่ขวบจําสูงประมาณปีกว่ามาแล้วลูกนั่งสมาธิไปสวมล่างที่จะบสมาธิ ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคปัจจุบันขณะที่นั่งสมาธิต่อหน้าองค์สมเด็จนั่งก็ให้รู้สึกว่ามีความสุขใจเป็นอย่างมากแล้วโรคก็ร้องไห้โฮน้ําตาไหลไม่ยอมหยุดจิตรู้สึกว่าเป็นสุขยังบอกไม่รู้ถูกแต่พอในขณะนั่งผูปุ๊บมันตะกี้ข้างๆบอกว่าอะไรระวังโรคเองนะ่ไว้ใจลมในแง่ ะไม่มีโรคเนี่ลูกเลยตกใจถอออกอย่สมาธิพันธีหลนั้นมาสมาธิคุณลูกก็เลยร่องแรงไม่เป็นปกติเหมือนเดิมจึงขอฝากขออจขอากของมีดก็่องก็ให้สมาธิตรงเหมือนเดิมวยเถิดเจ้าค่ะต้นใหม่ขอต้นใหม่ทิ้งเอทิ้งเีอาะอะไรทั้งหมดเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวหนึ่งลมให้ใจเขาออก สอ ง, สองทำนาสามภาคู้ใจเจ้าพระิิการิงนุ้งไม่ได้ผ่านทัทียรอวันต้องตัดใจตามนี้นะรูก็่อเจ้าขาคุณแม่ของลูกไม่สบายเป็นอย่างมากคงเล็กเป็นลูกสิษย์ของพอมานานแล้ ว, แ ต, อตอว แ, ลแต่ท่านไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะว่าท่านมีอารมณ์พระธรรมฐานแต่เอานิธานเป็นอารมณ์อยู่เสมอ แต่ที่จะให้มาถามก็คือว่าไม่มีความเข้มใจว่าถ้าก่อนชาตินี้โดยมีไม้สงอยู่บ้ากหรือเปล่าถ้ามีหรือไม่มีจะชพระโดยไม่้เรียกว่าเหมาร ว, วดไปเลยไม่ากว่าจะเหมาักเท่าไหร่ขออห้ลวงพ่ อ, อี้แจงไม่เปิดเรื่องการเฮ้ยสิคนนี้นิานแาน่น่พพานแน่สมเด็จดวงวิญาณก็จะจำรันสั ดูสตางค์เท่าที่เอาจะทำได้ไม่ไม่ไม่ได้ไเท่าที่ท ไ, ไ, ได้คิดว่าขอจังหวะนีสงหวัดที่มีพระสงฆ์เขาเ่มก็ดีพรราที่มีในุทธโลกกดีว่าระาที่ได้เป็นนามให้พระกดีขอจังวะนี้สงุนทงนี้ทพานั้นใช้ได้เลย ว่าไถรก็ได้ใช่ได้ไม่ต้องผุกขาด ว, ว่าท่าจุนไม่จาเป็นถ้ามากๆว่าก็ทรงดีโอ้มันอแบบตแน่สมัยที่เยอะแคบบ่เ <c oughs> หร่เป็งใจว่าที่อื่นยังไม่มีที่แก๊แ บ, บ, บ, บ, บที่มแคบอาลางเท้ารองเท้ที่เราร็กจังโสงกับผมได้เข้าหุ้นสับเพื่อนยอด้าลิสต์ที่แียไหมเพื่อนไปเหมาลิสจีที่ว่าแห่หนึ่งุุที่อำเวางจังหาดงขลาเห ในราคาเทไรก็ไปซื้อเอามาเพื่อขายแต่ว่ามีความไม่สบายใจวิธการที่หาการที่ไปเอาของวัดมาขายนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นโทษหรืว่าเป็นกรรมอย่างไรหรือไม่แต่ก็จ่ายเงนไปแล้วเป็นเรื่องจะจบลงกันไม่เป็นไรใช้ได้เ่าเจีอนเออกที่ไม่ทันจะเป็นไม่เป็นทู่กใหญ่ครับเรื่องออกก็ให้ราคแรกเขาเหมาแบบนั้นวกวัดแห่ง ยังก็เาไหนะไม่เป็นไรบาตัวของขงของคนคนเลยัวเลยป่ยเลยใช่ช่ใชตัวบาตัวบุญราคะหลวพ่อที่เคารพอย่างสูงแ้ผมไม่ก้าบอกเปนอะไรอยากจะไลุแต่ไป็นตของนามันอยากลแต่ทีนี้ที่ไม่ดีอยู่ก็คือว่า สิงโตอะไรอะคุลาเมีี่เอาไม่อยู่จะตื่นดีหมดแต่เวลากินเหล้าแล้วผมทำปมาณิดีในมุลในมุสน่ารักนะเอ๊ยังนีคือโสดาบอลลูนอาคมพีขออลงล่างเลยใช่ได้สิ กละทอด่อถ้าถ hm. ้สาวันินดมากเขาเคยว่าครเพื่อนข้้าพอเป็นาวโสาไขั้นต่ำนกัรงนีต่ำมากแค่สกรตงต้องกาหดสิเป็นโกลังโกะละเอกวิชีอะไรก็ไปไดินกไล่ท่อจะไ่สแตมา ทุวคนกูร้านนะครับโอ้โอ้ตองรักษา้องดีพก็ดิจะไปอยู่แล้วใช่ใช่ก้ไปอยู่แล้วนะครับท่านพ้าหลวงพ่ออยู่ระลอกจังสูงถ้าผมขอรบกวนขึ้นบารมีหลวงพ่อว่าถ้าคิดจะติดต่อท่านพระสมภูท่านที่ไม่เห็นปัญหาเพื่อมาสมทบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนนี่มันไม่ยากสิจะทำองค์ฐานได้สมมติทธินะทำเราพิสทธิได้นึถึงท่านอย่างเราพบท่านีทุกอย่างนะครับเพื่อสให้เกไม่จำไม่จำเป็นเลยจเป็นมเราไม่ใช้ให้เลยนะครับมันโนก็บสถใช้ได้เอย่างถ้าพตัวกันได้ดีก็ได้ก็ได้กันไลย ก็ครับกระผมได้เยินผู้เขา้าผู้แกบอกว่าที่เจ้าบอกว่าวัดภาพตุ้มอะถ้าทำการก่อสร้างเสร็จเมื่ออะไรท่านต้องเสร็จทันทีวัด ต, ตื่นเลยสังเ ก, กมาหลายแห่งแล้วพอสร้างเสร็จก็เสร็จทุกทีไม่จริงแล้วยะะจริงพัดหลวู่ทาไมใช้ไม่กังเส้นบุญใ ช, ชเ้ชเสร็จไปแล้ว <c oughs> ใช่คือยานได้หลวงพ่อนมึงวัดช่างวัดกระเจงเศก็เสร็จไปแล้วเอามาจากไหนติดงานตอไปตรง้่าเป็นวงหลวงพ่ออยากจะให้หลเว้นเรื่อเพืนหน้าแผงนึ่เอางีแล้วกันเป็นนี่แล้วก็หาสิบล้านไม่ตายไม่ลงจะดีผมเชางอฮามไกฮมไกมไม่ได้ตัง แต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวม่าเกิดไม่เกิดอะไรไม่เกี่ยวกันแต่ตายไม่ตายเกิดไม่เกิดอายุไข่หรืออะไรบางิาระเรืเข้ามาถึงแต่ก็เปีพยนเถราะอย่ดีก็ผูทีไม่เคยเป็นไาตามอายุไข่ไขแล้วไปมออกแล้ตจำก๊อกใช้ไข่ไปนานแล้วไม่ยอมไปม่ยอมออก แต่ยังไงๆอคุณพระจีนมัรูปหลาตาดำตาถาเลยนะพ่อมาถวายพ่อมอถ้คิดจะไปละขอถ่านร้อยเอดโอเรื่องไม่ยากข้าจไม่ผ่านได้นะต้องว่าจะโปยกระตังมห้เต็มโลเลยนี่คุไปได้พ่อยางให้ตายใจเย็นเถอยที่ไม่ตายโลกเาหนักมาก เมื่อไรก่อนหมอเขาไม่เช็คเขาบอกว่าหนักมากเขาหนักใจแต่ี่ยาโยอเห็นด้วยฉันดีๆดูความมันไม่ดีหรอกยิ้มแย้มสังขารุเบิขยายจะดึงยาอนนี้นะถ้าสังขารุเบิขยายช่วยไม่ได้ก็จริงอย่างพูดได้ยิ้มแย่มยังใช้ได้หมดเป็นเรื่องสังขารุเปิขยายเขาที่มาเที่ยนี้จะมาตรวจรู้สึกว่าอย่างทุกอย่างมาเริ่มการทงานขึ้นมา อย่างกับไปเริ่มทำงานขึ้นมาบ้างล้วลำไส้เริ่มทำงานขึ้นมาบ้างเปต้นนี่แกเรายินได้แก่อว่าเชื่อใจได้แกนักใจมากที่เขาพูดจะเป็นภาษาความตุ่งอ้ดิแสดงคุณพ่อเขปฏิสัมพันธ์ยาาสรไม่ไม่ไม่ใช่ปฏิสัม์านปฏิสัมพตุ้งเขาพูดเภาษาความตุ่งทกค่ฉันไม่รู้ไอฉันน่าพูดไม่ได้แต่เราได้ เดาตรงกเขาเขาไม่ไล่เราอกใช่เข้าใจแล้วมีคุณพูดว่นั้นนะหมอามที่หล<ร>วงพ้อใชใจใช่ใชใชไปห้ากินม า, มานานอ่างนี้พิาเป็นพิการเราสุดพิการเราเราบอกวงา่อ่าหลวพ่อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเ่อยๆเดีขึ้นอดีขึ้นมากดีกว่าเรื่องแผลอะไรไม่คุ้มกยบผู้ตายอะไรน้ำตาลน้ำแนแด้านแข็ก็วันพ้ว ย, ยาสั่นไหายเลยอนี้หมอเช่ทุกเดือนต้องทุกเส้อทุกเจ็ดวัน ปรากอาการที่นั่งตัวไม่มีเวลานี้ก็เป็นห่วงจิตใจระดับใจใช่อช่ใช่แต่ว่าหัวใจก็ยังไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะท่านผู้เข้าพำนเราเรื่องอะไรเพรว่าใช่ถามเวลาว่ารัหมดห่วงแล้วครับหงพสบายใจแล้วตากลางหลวงพ่อมือบยังตรงเมื่อรู่นนี้นั่งสมาธิ เห็นพระพุทธเจ้าพรนให้ลูกแก้วใสมือแล้วท่านบอกว่าให้ใสแหว้ลูกตาไว้บ้าวหมายความว่าอย่ากใจเมตตาอธิบายห้วยตวเมื่อพูดในเองก็แับก็เมตตาไปแก้วแก้วเขาเลยธรรมะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันเป็นศัตรูที่บอกว่าใจแม่ไอ้แก่อภัยทาน <Okay. S 2> ใช่ใช่ใช่มองทุกอย่างเป็นมิตรถ้าบังเอิญเขาสร้างความไม่ดีเขาเกิดเล่นเล่ตาความรักนะความสงสารว่าคนนี้ทำไมด่ดีที่เขาไม่มีทุกข์จะแตินี้ไปโรนลงร้องอีกเลยตอบจะตอก่อนใส่เขาไปที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะใส่ทุกคนอะไรอย่างเี้ย ใช่ใจเขา็ยัสคนนี้ก็โชคดีนะแม่คนงตรงนา้นแล้วมีน่งถ้แก้อเนีเออ่งยิ่ทะลเ้แเลยแค่อะไอย่างเงี้ยไปตามหมอเลยโอ้คณะคนนี้มีโชคนะถ้แก้วจากผก็ถสัมผัสได้และไดของใช่ชกเลยหนึ่งนาทีแ้ยัง ก็วิญญาณของออน้ำพรมท่านก็ไว้ยสงหุตูก็มาได้สองห้าหมื่นบาทเนะี<า>่ยต้องการให้สร้างที่ที่ไหนละ่ะ<า>ที่บ้านวิหารร้อยเมตรใช่ไหมแต่บร<า>ิที่น้านวิหารร้อยเมตรนี้เจของก็เต็มแล้ว<า>แล้วก็ยังเหลือไปถึงวิหารที่ยี่สิบไร่สี่สิบอง เวลานี้ตั้ง60องไม่พอเราตั้งใหม่หกสิองด้วยไนี้ระยะโยมนะตั้งทีหร้ยเมตรไม่ได้เพราะมีของเต็มต้องไปอยู่ที่ยสไร่ใก้กับเวลาทเขียไร่ถ้าไม่พี่พอใจไม้รัเงินจะไมได้นะใช่ใช่้หาว่าพอใจก็ทำให้ดีนั้นนะ อาผู้สูงข่าวนี่ได้รูตรงไหนที่ใดในมหาสมุทรเอากันแต่คนที่แค่แค่ยี่สิบไร่เนี่ยถ้าได้ชมจะชื่นใจกว่ามีไผ่มีร่มใช่ไหมมันจะเดินทางเดินทางสายกลางมองได้ถึงสองฝั่งจะชื่นใจมากกว่าเม่ก้าวไมาย่อไม่ต่อถึงป่าแล้ใช่ใใ ทีแรกเคิดว่าหกสบหกสิบสี่องค์นั้นตั้งแน่นขนาดนว้อพอสร้างเสร็จไปดูทีความเกินของเขาเกินมายีสองค์ฉนก็อยาตั้ง40่องค์เพราะว่าเจ้าการบอกตั้งเต็มที่แล้วหกส60องค์เพราเวลาที่เขาเล็กเาเลิกตั้งฐานเขาตั้งเขาหกองค์แล้วยจะต่อไปตก็ได้หมยิ่งเมื่อยันๆนี้เขาบอกว่าเหลือแถวใต้หกสบไม่พอเลย แล้วที่น่าหลักใจคือว่าทีสมัยนี้โอเนอรก็ใช้จำนวนเงินเกินกว่าม้าหมื่นถ้าวากัตามราคา